Thank you. อยู่สารากลางน้ำรู้สึกเหมือนกับพายุเลยฝนตกหนักๆแบบ น, กกนี้ที่นี่ตั้งแต่เข้าวันสามนาวก็ยังไม่ค่อยได้เจอจังๆเท่าไหร่แต่ถึงแม้ฝนจะตกหนักนะพวกเราซึ่งอยู่กันในกุฏิหรือสาราก็ไม่เปียกก็นอนได้สบายไม่ได้เวลาทำวัดฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าก็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 ทำไงนันถึงจะไม่ ท, ามา ท, ทําให้เราเป็นทุกข์ได้ทําอย่างไรถึงจะไม่ให้สิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรืออนิจธาลมเนี่ยเข้ามาทําให้เราเป็นทุกข์ได้นั่นก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองใจธรรมะนี่ก็ได้แก่สติสมาธิปัญญาเป็นต้น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 ในทํานองเดียวกันความพลัดพร้าสูญเสียมันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะจะมีความฉลาดแค่ไหนหรือถึงแม้เราจะมีเทคโนโลยีมากมายเพียงใดหรือแม้แต่เราจะเป็นคนที่ชอบทาบุญให้ทานเราก็มีความเชื่อว่าถ้าเราทาบุญให้ทานแล้วเราก็จะมีอายุวันนสุขขาพละ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 เลยเพราะอนิถารณมหมายความว่าถึงแม้ว่าจะมีอายุยืนนะแต่ว่าก็ยังต้องหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นถึงแม้จะมีสุขภาพดี<ม>ก็ยังต้องเจอประสบกับความสูญเสียพลัดพรา ก, กจากคนที่เราลักเช่นพ่อตายแม่ตายหรือว่า ลูกมีปัญหาชีวิตถึงแม้ว่าจะมีเงินมากมายก็ยังต้องปวดหัวกับเรื่องเรื่องลูกเรื่องครอบครัวลูกสอบข้าวมาหาเทไลไม่ได้นะลูกติดยาอกหักหรือว่าเจองานการล้มเหลวแม้จะทำดีแม้จะรักษาศีลมามา ก, มา ก, มากบุญกุศลเยอะแยะเป็นหมดนะ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 ยังต้องอยู่ในโลกนี้แม้จะทำบุญทาทานรักษาศีลมาแค่ไหนแม้จะได้รับอ น, นิสงฆ์แห่งศีลแห่งทานมากเพียงใดพียงอดไม่ได้ยังนี้ไม่พ้นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักซึ่งในที่สุดก็ย้อนกลับมาสู่ตัวเองแต่อคติจริงๆแล้วนะแม้จะมีอายุวรนนัสุขาภรัเพียงใดตัวเองก็ยังต้องทุกข์เรื่องของตัวเองด้วย เช่ถูกคนมาใส่ร้ายถูกคนมาต่อว่าตําหนินะหรือว่าอย่างที่พูดไว้ไหนสุดก็ต้องแก่ต้องต้องป่วยต้องเจ็บนะก็ต้องตายแม้แต่พระพุทธองคซ์ซึ่งเรียกว่าได้สร้างบุญกุศลมานับชาติไม่ถ้วนนะแม้มาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องประสบกับเรื่องราวเหล่านี้ถูกคนใส่ร้ายใส่ร้ายขนาดว่าไปฆ่าผู้หญิง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 เวลามีคนตายเนี่ยเราไม่ทุกข์ใจเลยนะใครจะตายก็ไปเลี้ยงเขาแต่ถ้าไปรู้ว่าคนที่ตายนั้นเป็นญาติของเราเป็นพี่น้องของเราพวกมันทุกข์ทันทีเลยเมื่อวานนี้มีการออกข่าวว่าต่อไปจะจับพวกเด็กแว้งนะเข้าคุกนะไปดัดสันดานใครๆก็อนุโมทนาเออเอาเด็กแว้งกลับเข้าคุกก็ดีมันก่อขุนมากแต่ถ้าเกิดเราไปรู้ว่าเด็กแว้งเหล่านั้นที่เข้าคุกนี่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 เมื่อถึงเวลาที่มันแปลเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์แต่ทีแมนจะยังไม่แปลเปลี่ยนไปมันอยู่กับเรานานๆล้าก็เบื่อเรวก็เส็งเหมือนกันนะของดีๆที่เราซื้อมาเราก็มีความสุขพอใจที่ได้มาแต่มันก็เราก็พอใจแค่วัน2วั น, วนหรือ1ึ่งเดือนเท่านั้นแหละผ่านเดือนที่2ไปเราก็ชักเบื่อๆนะถ้าอยู่ไปนานกว่า น, นี้ก็ชักอยากจะได้ของใหม่มาแทนที่นะกินอาหารที่อร่อย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 เพราะฉะนั้นอิทธารม์ก็เหมือนกันนะทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยคืออิทธารม์ถ้าเราไปเพลินกับมันเราไปยึดติดมันเราก็ทุกได้ง่ายเหมือนกันเพียงแต่ทุกที่หลังอนิถารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าเราปล่อยใจให้เพื่อเพลินยินดีไปกับอิทธารม์เราเตรียมใจทุกได้ถ้าเราปล่อยใจให้ไปลังเกียด อิ น, นิธารมณ์เราก็ทุกทันทีเลยมันเป็นธรรมดาของโลกเหมือนกับฝนตกแดดออกแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องทําให้เราทุกได้ถ้าเกิดว่าเรารู้จักวางใจให้เป็นกลางคือไม่ยินดีเมื่อประสบอินิธารมณ์แล้วก็ไม่ทุกเมื่อประสบกับอินิธารมณ์ใจที่วางไว้เป็นกลางๆางไม่เพิดเพนยินดี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 กลิปลาล้าติดมือลรเหม็นเราไม่ชอบเราก็ล้างเราก็เช็ดแต่เสร็จแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะเอามาดมเมื่อยังมีกลิ่นอยู่แล้วก็เช็ดแล้วก็ล้างแล้วก็มาดมใหม่เราไม่ชอบกลิ่นนั้นแต่เราทําไมเราดมมันอยู่เรื่อยเลยอันนี้คืออาการยึดติดอย่างหนึ่งยิ่งอยากผลักสายก็ยิ่งยึดติดแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยเราจะมาสร้างนิศสายใหม่คือเป็นผู้ดูเฉย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 ใจเราก็อันหนึ่งความทุกข์เช่นทุกกายหรือสูญเสียทรัพย์มันเหมือนกับอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราหรือใจอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้เนี่ยนับวันเนี่ยช่องวางระหว่างสองฝั่งนี้ก็จะห่างขึ้นห่างขึ้นห่างไกลไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ดูเหมือนว่าไกลเหลือเกินความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับทรัพย์แต่ว่ามันไม่สามารถจะ